Hoksib ุ o กทูหกสิบสองการตั้งคาถามหนึ่งเรียนนักเรียนเรียนมากไหม ไม่พวกเขาเรียนน้อยเนี่ยอุเชสซามาเหถามปีตาจิสคุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหมปีตาเจสัสชัสเตอุชิเชียไม่ครับผมถามท่านไม่บ่อยเนี่ยเนี่ยปีตามสัจชัสเต ตอบกลับ odpowiedz a ช่วยตอบกลับด้วยครับ odpowiedzcie prosim ผมตอบกลับ odpowiedam ทำงาน pracować เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม p r a pracuje ใช่ครับ เขากำลังทางานอยู่ právě pracuje kunča príjdetě มาคุณจะมาไหมครับเรากาลังจะมาเร็วๆนี้อยู่ คุณอยู่ในเบอร์ลินใช่ไหมครับ Beiravberlin เ, เบนี่ยครับผมอยู่ในเบอร์ลินอ๋อ Beiravberlin เนี่ย